ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วนั่งต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญไปกรรมฐานวันนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องพระสุกิทาคามี ไม่ได้าการตัดความโกรธทา่านเศรกิจทาคามีนี่ยังไม่ตัดแท้นะครับเป็นการบรรเทาความโกรธวิธีบรรเทาความโกรธได้พูดมาแล้วในวันก่อนถึงเกสิบสีอย่างนี่มาพูดกันเรื่องการสิบนี่ความจริงมันก็เหมาะสำหรับบคุคคลบางคน บางคนที่ไม่พอใจในกระสินก็มีเพราะบางท่านเห็นว่ากระสินนี่มีความเข้มแข็งเกินไปเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่สมกับใจคนตนเองแล้วบางท่านก็กลัวกระสินเพราะความจริงคำว่ากระสินผมปังมาเยอะ นักปฏิบัติเพื่อกมามฐานบางคนพอบอกว่าเจริญกระสินเท่านั้นแหละทําท่าตาพองทําตาพองทําตาใหญ่เออะไววายเห็นว่าสมเห็นว่าหนักเกินไปสำหรับจิตใหญ่คนอันนี้มันก็เป็นของปแปลกสําหรับเพื่อกมามฐานนี่พอประธานอภัยเลยขอรับ ที่ผมต้องปรารภโตสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าการเทศในจงอย่าปรารภตัวตนเองแล้ว อ, อย่าปรารภบุคคลที่ฟังและนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิบัติล้วพูดกันตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องกรรมาฐานสี่สิบผมเคยลองฝึกมาทั้งหมด แล้วก็มหาปฏิปฐานาสูตรทั้งหมดผมฝึกทั้งหมดกรรมฐ า, านสี่สิบนี่ผมฝึกครบสี่สิบตั้ต่บันสาที่สองมหาปฏิปฐานาสนสูตรนี่พอทํากรรมฐ า, านสี่สิบมาจับมหาปฏิปฐานนสูตรก็เลยเป็นของง่ายไปหมดทําเดี่ยวเดียวขอเสร็จคําว่าเสร็จก็คืออารมณ์จบ แต่ว่าผมไม่ได้หมายว่าผมเป็นพระราหันในเขารับตอนนั้นเรื่องของการฝึกฝึกจุดใดที่ในพรกรรมฐานสี่สิบที่ท่านว่าไว้ว่ า, วาชีถึงฌานไหนเป็นสำคัญเอาจะหาอตตริมนุส ธ, ธรรมก็ยอมอตตริมนุส ธ, ธรรมถ้าไม่มีในตนอดท่านปรับในอาบปราชิกถ้ามีในตน ไม่เห็นพระพุทธเจ้าปรับตรงไหนนี่ผมพูดกับท่านที่เป็นนักปฏิบัติ ด, ด้วยกันคนน่าทุ่งนอกท่าผมไม่ได้พูดด้วยเพื่อผมจะบอกว่ากรรมฐานทุกกองที่ท่านทำว่าจบจุดไหนผมพยายามทำจบจุดนั้นแล้วก็มหาสติปัตฐานในโสตถ้าว่าทำจบจุดจบ จ, จุดไหนผมทำจบจุดนั้น จนทั่งมีอารมณ์ชินก็ไม่เห็นว่ากรรมฐานกองไหนที่มีความสำคัญกว่ากันไม่ต้องไปทำตาใหญ่ตาโตก็แก้แค่อารมณ์ให้ทรงสมาธิ้วยเป็นปัญญาเหมือนกันนี่เรื่องความจริงมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าสำหรับท่านที่หนักใจเรื่องกสิศก็มาว่ากันใหม่ จะบรนเทาความโกรธก็ต้องใช้พรมิหารสีใจของท่านทรงอยู่ในพรมิหารสีเป็นปกติความจริงคนที่มีกำลังใจทรงพรมิหารสีเป็นปกตินี่เป็นคนที่มีใจสบายมากามันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกละคุณนี่มันมีความสุขจริงๆครับ ไม่เชื่อท่านลองทำดูเถอะใหาว่าท่าน ย, าย้อนถามว่าแล้วก็ลุงตาที่โพดิทำแล้วหรือยังก็ะอยา่าลืมว่าทำครับเพ ม, มีหานสี่ก็อยู่ในกรรมฐานสี่สิบคนที่ไม่ ม, มีไม่มีพร ม, ม, พร ม, มีหานสี่ประจำใจศีลมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่มี เรียว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญามันเลวคือปัญญาคิดไปในด้านเลวไ ม, ไม่ได้คิดดีคิดชั่วคิดหาความทุกข์เสมอแับคนที่ทรงพระมิหารสี่นี่จิตใจจะทรงด้วยความปกติถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนาแ น, น่นไปด้วยกิเลสมีพระมิหารสี่เล็กน้อยใจก็เป็นสุข ยังพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนของสิธิพ่อแม่ของลกูกครูบาอาจารย์ของสิทธินี่ทุกท่านมีพรมิหันสีทั้งหมดถ้าไม่มีพรมิหันสีท่านก็เลี้ยงเรามาไม่ได้ท่านก็สอนเรามาไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะเป็นคนอกรตรันอยู่ไม่รู้คุณคนท่านั้นที่จะหาว่าครูบาอาจารย์อากติบัางรักําเอียงไม่เที่ยงทันบ้าง ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องมองตั ว, ตวเราว่าเราเลวแล้วเราดีไม่มีครูคนไหนไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อักะจะาคติคัโลกแ ล, ล้วโลกสิทธ์ครูบาอาจารย์ทุกคนต้องการให้เูาสิทธิ์ได้ดีเว้นไว้แต่ว่าลูกสิท์มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตเท่านั้นที่มีจิตมุงมองเห็นคนอื่นเป็นคนเลวไปหมด ท่านเลวอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ครับอย่างเทวทัตพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณท่านบอกว่าเรารักราหุลลูกชายของเราเท่าใดเราก็รักเทวทัตก็เท่าราหุลเห็นไหมแต่ถ้าว่าเมื่อเทวทัตทําผิดก็ต้องลองโทษนี่เป็นเรื่องธรรมดาแกปล่อยให้คนชั่วทรงโตอยู่ได้ยังไง ในสำนักของเรามีไหมคนอักตัญยูไม่รู้คนคนมีไหมถ้าจะมีหรือไม่มีคุณสังเกต ด, ดูก็ได้คนอักตัญยูไม่รู้คนคนเนี่ยมีแต่ความเร้อร้อนหาความสุขกายสุขใจไม่ได้มีความทะเยอะทะยานผิดปกติอยากจะทําอะไรให้มันดีอยากจะทําอะไรให้มันเด่น เห็นดีกว่าเขาเด่งกว่าเขานั่นแหละคนณะยำแม้ว่าถึงพอ ม, มีหันสีมันของ ง, ง่ายๆนี่ครับพอไม่ยากของขี้เกียจพูดมากพูดทามันยากก็พโดดได้แต่มันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะขององค์สมเด็จตัสสมาทัพุทธเจ้าเป็นของไม่ยากใจเรา เราคิดอยากให้ชาวบ้านเขารักเราหรือว่าเราอยากให้ชาวบ้านเขาเป็นศัตรูกับเราเราใจตาเราของเราไปที่ต่างผมว่าถ้าคนไม่บ้านี่ผมใช้ศัพท์ธรรมดานะภาษาไทยไแท้ๆไอแบบใช้สมบัติสมนวนที่คนฟงังยากๆผมไม่อยากจะพูดเพราะพ่อผมก็เป็นคนไทยแม่ผมก็เป็นคนไทย ผมก็เกิดในประเทศไทยผมขอพูดอย่างคนไทยผมคิดเมื่อคนนั้นถ้าไม่บ้าแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องการเป็นที่รักของคนทั้งโลกอย่าลืมนะผมว่าคนไม่บ้านะเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนี้ล้พอมีหานสี่ข้อที่สอง ใหบอเมตตากรุณาความสงสารปรารถนาในการเกือ้อกูลให้มีความสุขนี่คุณลองคิดดูว่าคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าคุณต้องการให้คนในโลกนี้เขาสงเคราะห์คุณหรือว่าต้องการให้คนในโลกนี้เขาตัดขาดจากคุณนี่ถ้าผมก็พูดใหม่ก็ต้องพูดเป็นเก่าสิ ผมคิดว่าถ้าคุณไม่บาคุณก็ต้องการให้คนทุกคนในโลกนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเราและเราสําหรับเขาในการข้อที่สี่เรานั่งนึนกดูว่าถ้าเราได้ดีแล้วต้องการให้พวกมไม่ฉาญิสัญญาเราไหมหรือว่าให้เขาสำับสนุนความดีของเรา ตอนนี้ก็ท่องขอตอบว่าถ้าคุณไม่บา้าคุณก็ต้องคิดว่าถ้าเราได้ดีเราก็ต้องการให้เพื่อนเห็นความดีของเราว่ามีประโยชน์แล้วก็สนับสนุนให้ความดีแล้วก็อยากให้เพื่อนทําความดีตามเรานี่หมายถึงว่าถ้าคุณไม่บา้าถ้าคุณบ้าผมก็หมดทางแก้ถ้าการทีสี่ อุ้มเบกขาวางเฉยคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับกฎธรรมดาสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นหนึ่งชาติพุทธคขาความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะการทาอาหารกินจะต้องทากินกันเป็นปกติเพราะการทำกินมันต้องเลยไม่ทำกินมันไม่มีกิน สองชะลาปิทุกขาเพื่อความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่ถ้าไม่แก่มันก็เป็นเด็กเกิดคลานไม่ได้พลิกไม่ได้อย่ีมันต้องแก่เกิดนานวันแก่นานแก่มากเกิดน้อยวันแก่น้อยมันก็แก่มาทุกวลาทุกวินาทีมากความป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วมันก็ต้องป่วย ร่างกายเป็นโรคนี่ทางาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นหลังของโรคในเมื่อร่างกายมันเป็นหลังของโรคมันก็ต้องป่วยป้าพังคุณนังท่านบอกว่าร่างกายของเราจะต้องป่ยเน่าไปธรรมดาเพราะนาไปทุกรังเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายนี่ต่อมาแล้วก็มานังเลย ว่าอารมณ์ของโลกคนที่เกิดมาในโลกนอกจากเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันจะมีอะไรอีก<ม>ก็มีอารมณ์ที่ขัดคอขัดใจที่คนเขาทาให้ถูกใจเราเมื่อถูกท่าทิมเป็นของใช้สอยโอ้เครื่องอุบโภคบริโภคที่ไม่ถูกใจเราเม่งแก่ขํามข้าบ้านใกล้จะพังเพราะมันเก่าเสื้อกระเกงมีแย่ขาดเพราะมันเก่า ถ้าตังที่มีไว้มันใกล้จะหมดเพราะเราใช้มันไปมากอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกลความเท้ามีลาบลาบเกิดขึ้นลาบมันก็เสื่อมหมดมันหมดไปก็ใช้มันเขาตั้งให้เรามียศได้เขาก็ถอนได้คนเขานินทาเราได้เขาก็สรรเสริญได้ เรามีสุขโคโลกีวิสัยมันก็มีทุกข์ได้อาการทั้งหลายแหลที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นกับใจขอพูดใหม่ดีไหมพราะว่าคุณไม่บาคุณจะไม่หนักใจมันเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของธรรมดา ถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องการฝืนแม่การอย่างนี้ปรากฏก็คือคนบ้าฝืนยังไงมันก็ฝืนไม่ได้ความจริงนีคนจะคิดว่าเอผมก็คงจะบ้ามากนะขึ้นท้ายก็บ้าลงท้ายก็บ้าถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมยอมรับคนว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้ามาแล้วสองแบบ คือเมื่อตอนหนุ่มหน่มผมยังไม่บวชเพรว่าบวชใหม่ๆตั้งแต่กิวันเกิดก็แล้วกันตั้งแต่วันเกิดไปกว่าจะถึงวันบวชบวชแล้วยังไม่แก่นักตอนนั้นผมก็บ้าผมบ้าเกาะคงเกาะด่าคงเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะญาติผู้ใหญ่เกาะทรัพย์สินดีไม่ดีย่อมไปเกาะลูกสาวชาวบ้านเขาให้ ไม่ใช่ย่องอ่ะที่วิ่งไปเลยเห็นเขแต่งตัวชอบใจสูส้ทรงดีวิ่งตามส่งมันย่องย่องคอยโชวน่ะไม่ย่องย่องไปไม่ย่องจะไปเกาะเขาที่ดีไม่ดีพอทันแคเข้าเอามาตกหน้าของดาเขาบ้างสบายกลับบ้านสบายเชื่นใจนิดนั่นพระผมบ้าตอนนั้นบ้าดอย่างมากพวกคุณที่าบาดมันไม่ทันผมหรอก ไม่ใช่เจยาแก่มาอดนะผมรู้พวกคนเนี่ยบ้าบ้าบอๆบ้ารักบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าไม่ทันผมไอ้ผมเนี่ยมันบ้ารักรักเนี่ยบ้ามากแต่โลภม่เคบ้าฮะเพราชอบแจกเพื่อนขโมยประมือกแจกเพื่อนมาตั้งแต่เด็กมีอะไรกินนิดกินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้เท่าทั้งญาติผู้ใหญ่บางคนท่านดำนิ ว่าไอ้นี่แหละกินคนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อหมาอยู่เลยแต่คุณพ่ อ, อคุณแม่ถ้าไมดูเพช่างมันสิทธิ์ของมันมีเท่านั้นมันจะไปแบ่งกับใครก็ช่างของกินมีท่านแบ่งเป็นส่วนเอากันนมมาเป็นปคนถ้วยถ้วยเท่ากันหมดเล็กโตกินเท่ากันถ้าว่าเท่ากันนี่หมายว่าต้องพออิ่มเพรส่วนใหญ่ท่านจะทาให้เกินไว้เสมอ ผมมีของก็ไปแจกเพื่อนในสิทธิในส่วนที่ก็เป็นของผมญาติผู้ใหญ่บางคนทันว่าเอาวถ้าว่าไอ้นี่จะกินต้องเผื่อชาวบ้านตัวเองก็ไม่ทันจะอิ่มคุณแม่ถ้าบอกช่างมันช่างมันของของมันมันมีสิทธิ์เท่านั้นมันมาเอาอีกไม่ได้จะแบ่งก็ใครก็ช่างมันจะไม่กินเลยให้เพื่อนกินทั้งหมดก็ช่างนี่มาเรื่องความโลภในผมบ้านน้อยไปนิดหนึ่งเรื่องความรักมี่บ้ามาก มาถึงด้านความโกรธวาบ้าพอกับความรักนี่ผมเกาะมันมานะบ้าพอความรักผมบ้าจริงๆความโกรธเ็นผมบ้าเต็มขั้นเลยคุณถ้าใครทําให้ผมโกรธโดยไรเหตุไร้ผลที่ผมไม่มีความผิดผมจะต้องหาทางตอบสนองให้ได้ที่เรียกันว่าพยาบาท ถ้าทำไม่ได้ผมจะยอมตายซะดีกว่ามีความโกรธผมเต็มขั้นเลยคนเต็มจริงๆผมว่าไอ้บ้านตัวนี้พวกคนมันบ้านน้อยกว่าผมนะผมยิงคนกลางคืนไม่ได้ผมต้องยิงกลางวันยิงรับหลังไม่ได้ผมต้องยิงต่อหน้ายิงนอกบ้านไม่ได้ผมต้องขึ้นไปยิงบนบ้านนี่ คนจะมาเลวตามผมนะนี่ผมเอาเลวโอดคุณว่าผมเนี่ยมันบ้ามาพอแล้วก็ไอ้บ้าโมหะความหลงก็ไม่ต้องพูดละถ้ามันรักได้มันโกรธได้มันก็ ม, มีโมหะก็หลงนี่บ้าถ้าใครว่าผมบ้าผมรับผมเจ้าโชว์มาพอเจ้าโชว์จนเบือ่อเวลานี้นึกถึงภาพนั่งจะมาเมลัยมันอยากจะอาจเจียน เห็นคนแต่งตัวสวยๆผิดตัวติในใจสือ่อมมาทันทีมันจะเกิกติดคอมันจะเจียนเพราะอะไรมันร่างกายของคนทุกคนนเดีย๋ยวนี้ก็มันดีไปเถอะสกปรกบอกไม่ถูกเลยคุณเหม็นหงมเหม็นหัางไม่ได้ความให้เวลาบางตอนใหม่ๆพูดกับแกแคพูดอ่อนหวานนั่นนะเข้าเจียคำสำราญเข้าแนวผมเปิด พอผมต้องการของดีนี่ยมันไม่ดีเพราะวกก่าโปรทีไอ้ที่ไปทำรายคนเพราะเขาโกงผมก่อนผมไม่กินเหล้าเมายาไม่สุบหรี่ไม่กินเบียรอะไรผม ก, ก็ไม่กินคุณแม่ให้ภาวนาว่าพุทโธเป็นปกติผม ก, ก็ทำถึงวันพระท่านรักษาศีลบิสุทธโโิ์ ก, ก็รักษา แต่ถ้าว่าอย่าโกงองค์กะผมไม่โกงใครดต่ใครอยากโกงองก่อนถ้าโกงแล้วในตอนก่อนผมจะ น, นิ่งเฉยทํามันกลัวเขาแต่ถ้าถึงที่สุดเมื่อไรคนนั้นต้องต้องจมดินเมื่อนั้นนี่ผมบ้าเต็มที่นะมาบ้าตอนนี้บ้าไปบ้ามามันบ้าเต็มภาคผมในที่สุดมาบทแล้วเจอหลงพ่ปานท่านสอน ก็เลยบ้าใหม่ณ น, นี้มาบ้าละความรักบ้าละความโลภบ้าะละความโกรธบ้าละความหลจงจนกระทั่งณนี้มันก็ละยังไม่หมดอมันแม้มันละกัมนมาตั้งหลายสิบปีต่อสี่สิบปีกว่านี่ยังไม่หมดเลยคุณมันจะหมดได้ยังไงนี้เมื่อคันให้ ย, ยังมีอยู่โอ้โห oh. oh, ละยังไงล่ะคุณ เห็นไม่ล่ะ ว, วัดวารามไม่กี่ปีล่อสุดรืร้อราไม่หมดพอตั้งกองทุนเขาหน่อยจะแจกของสาธารณประโยชน์โสงเข้าเครื่องของเครื่องมือซึ่งใช้เต็มมัเต็ม ว, มวาอย่างนี้เขาเรียกว่าบายเลืดีนี่มันจะหมดได้ยังไงเนียเมื่อไม่มีคันท่าแต่คันถ้าหมดเมน่อไรผก็อาจจะหมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ ตายแล้วพึ่งอยากไปนรกพึ่งก็ไปนรกอยากไปสวรรค์พึก็ไปสวรรค์อยากไปพรหมก็ไปพรหมก็ไปพรหมอยากไปนิพพานพึ่งก็ไปนิพพานสุดแล้วแต่มันอยากตอนนั้นมันอยากไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พูดวันนี้เราไม่ต้องรู้เรื่องกันนี่มาทึงเรื่องตัดความตัดความโกรธวันนี้โกรธเกิดแล้วก็ทรงพ ม, มีหานศีริที่พระพูดมันนี่นะพูดให้เข้าใจ ว่าอารมณใจของคนมันบ้ามาแล้วเหมือนกันตอนนี้มาพูดตั้งแต่ความโกรธมาง่ายๆนี่เดียวกุลทีกาไว้ตัวนี่ช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่งมันมันว่าก็ช่งมันมันชมก็ช่งมันมันสรรเสริญก็ช่งมัน เขาอะไรมาให้กอช่างเขาไม่อะไรมาให้กอช่างไอ้คาว่าช่างในที่นี้ไม่ได้ความหมายควาอักตันยูคือว่าถือว่าเขาให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีหมดเรื่องไม่ใช่โกรธยี่บอกว่าช่างมันนะดันไปโกรธเขาไม่ถูกเป็นอนุวาอันดับแรกแล้วก็ทรงพรมีหารศีลืมตาก็้ามากว่าจะหลับ จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีสําหรับคนทั้งโลกเห็นหั้มไม่คิดเป็นศัตรูของใครทั้งหมดมเห็นหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาแยกเคี่ยวข้ใสเด็วคนนี้ก่าเราไมา่ใช่หมาไม่มีเคี่ยวช่างเห็นหน้าคนก็ยกมือไหวรักหมด จะไม่รักด้กิเลสนะลักด้วยความปราณีข้อดีสองกรุณาสงสารคิดว่าเออเราเกิดมาในโลกอย่าทำตนให้เป็นคนโลกร่ไรประโยชน์เลยเกิดมาแล้วกว็ทำความดีมันสะบ้างนั่นก็คือหาทางเกื้อกูลจะบอกคนที่คนจะให้นะให้ดูคนหน่อยนะ พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นอันดับแรกฉันแบบคนฉันต่ำใจยังต่ําที่เป็นปฏิชนเลือกคนเฉพาะคนที่คนให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเราะพระพุทธเจ้ามาได้ทรงให้ดะท่านเลือกคนให้ท่าคิดว่าสิ่งที่ท่านให้เขารับไปแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์กับเขาท่านให้ถ้าให้แล้วไม่มีประโยชน์ไม่ควรให้ อย่างหนังสือผมคือหนังสือลงพ่อปานในะของที่ผมแจกกันมันกันของแจกไปเป็นวัตถุซะเยอะไปวางทิ้งกันเราทำกับตายหนังสือเขาหลวงพ่อปานคงเคยแจกคนใกล้วั ด, 200ดสองร้อยเดสมเศษคุณงจำได้แจกฟรีตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าเป็นต้นมาแค่สิบหกจะไม่ได้นะจนทั่งถึงปีพศสองพันห้ารอยยสบเอ็ด ต้องเคยไปถามบางคนบอกยังไม่ได้อ่านเลยบางคนบอกอ่านไปสองสามหน้าไม่มีเวลาอ่านเห็นไหมว่าคนที่ไม่ควรจะให้เนี่ยแต่หืนให้ไปลำสภาพมันเป็นอย่างนี้เราต้องลงทุนลงหล่อนแรงต้องใช้ปัญญาต้องใช้เงินใช้ทองกว่าของมันด้เกิดขึ้นมาได้แต่ให้ไปแล้วเขากลับไปทิ้งให้มันไร้ประโยชน์ เราซื้อเรื่มนี้บาข้างหนึ่งขึ้นราคาถึงร้อยบาทเมื่อเวลาเดือดขาดไปมีไม่มีจำหน่ายในดีสุดก็ต้องรีบทําขึ้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งผมเริ่มเชื่อเสร็จแล้วไปจดหมายเพอเพาะแค่จดหมายมาบอกว่าต้องรีบพิมพ์ไม่งั้นจะแย่เวลานี้เขาขึ้นราคาเรื่มน้อยร้อยบาทแล้วเราขายยี่สิบสมสิบบาท เย็กมานั่งด่าว่าห้าสิบบาทจะไม่แพลนจะไม่ขายถูกเขาตัดราคาเขาแล้วก็บอกว่าเราต้องการแต่ทุนเท่านั้นให้มันหมุนเวียนได้ไม่ต้องการไปสร้างตึกอันนี้ต่อไปเรามีความสงสารเครือกูลนี่เราคิดจะเปล่าว่าไอ้การสงสารทำยังไงเราเป็นคนไม่โรกโรค อะไรที่เราจะช่วยเขาได้เราคิดไว้พอลืมตาขึ้นมาก็ยันหลับคิดไว้เลยว่าอะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยของเราอย่าให้รมความรักกระสงสารไม่ขาดจากจิตแล้วก็มุทุตาจิตอ่อนโยนมองความดีของคนอื่นอย่ามองความชัว่วแต่ตัวเองมองความชั่วของตัว คนอื่นจะมองความดีว่าคนนี้เขาดียังไงเขาจะมีความสุขคนนี้ก็ทํายังไงจึงร่ํารวยคนนี้เขาทำยังไงยังเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนนี้เขาทำยังไงร่างกายจึงไม่มีโรคอะไรก็ตามเห็นเขาดีตรงไหนตามดีด้วยยิน ด, ดีกว่าความดีทําตามไปเลย ังอกตั้งใจทำความดีตามเขาแต่เขาโกงรวยอย่าไปโกงตามเขานะนมันชั่วเนี่อารมณ์ความวางเฉยเฉยยอมรับนับเถอกกับคธรรมดาตามีิการมแล้วในตอนตอน้นกะ็เวขาเนี่ยวางเฉยเให้เขาอยากเะด่าก็เฉยเขาจะชมก็เฉยยิ้มยิ้ม ดายก็ยิ้มชมก็ยิ้มยิ้มเป็นเครื่องปลอบใจแกก็ยิ้มพวยก็ยิ้มของรักของชอบใจพัดไปก็ยิ้มความตายจะมาถึงก็ยิ้มยิ้มเพราะใดเพราะเรามีเบิกขาวางเฉยรู้อยู่วันจะต้องเป็นอย่างนั้นรวมความว่าเราจะตัดความโกรธก็ต้องอาศัยสมมติฐารสี่ประการ ถ้าอารมณ์พอมีหาสิบประการมันไปจําอยู่ในใจเป็นปกติแล้วความโกรธมันจะโผล่มาตรงไหนล่ะมันจะยื่นหน้าเข้ามาในช่องไหนคิดแล้วคิดไปดีว่าโกรธก็ตายไม่โกรธก็ตายเราตายอย่างคนไม่โกรธดีกว่าใจเรามีความสุขถ้าเราไปตายอย่างคนที่มีความโกรธเ้าก็พังสิ พังเพราะอะไรเพราะไอ้ความโกรธมันเป็นของไม่ดีถ้าเราโกรธเข้ามามันก็ไม่ดีเพราะโกรธไม่ดีนี่เราเป็นคนก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราตายเป็นผีก็กลายเป็นผีไม่ดีเราไม่เอาเป็นคนดีตามคติของพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่จงหยาดเป็นคนดีตามคติของคนเหลว ท่านยังหลายทรงอารมณ์ใจไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติชื่อว่ามีฌานในพมีหานสี่แต่ก็ต้องมีพื้นฐานอนาปานุสติเป็นพื้นไว้เนี่ยปล่อยใจให้มันลอยเห็นใจมันเฟื่องอจปะปนาปาก็พุทธานุสติควบคุมใจวิธีการระงับความโกรธเท่านี้คุณพอเหลือแหล ทำได้นั้นเหลือเหลือกินเหลือใช้อาไรท่านต้องหลายมองดูเวลาที่จะแนะนําท่านก็หมดเส็นแล้วนี่ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกนําหนดรู้ลมหายใจเข้าใหญ่ออกใช้คำภาว น, นาและพิจารณาตามอัจฉริยใสายจึงกว่าเวลานั้นท่านเห็นว่าสมคนรวันเลิกสวัสดี